อืมเมื่อเบื่อเลยโปรดทวนสังฆา <c oughs> พอปฏิบัติธรรมอย 4 อย่างนี้ย่ำดีอย 5 อย่างนี้ย่ำดีได้บางทีมันมาเมื่อใดต่อตามธรรมความเพียร และตระหนักรู้นี่มาอย่างดีมันไม่อยากอะไรเจ้าจะ มันแสดงออกความยากความลําบากอะไรต่างๆยิ่ง ให้เรียนออกแกงใจกันท่านก็แสดงภา จบความทุกข์ความโลภความความหลง ก็ห้อยพอใจทีของอยู่ของ เอาเรียกว่าภาววนะสังฆังภันเตภาวะเรนิสสิเทนะวาสุเตนะวะปะริสังกายะวาวะทันตุบางอะยัสสะมันโตอุปังพังอุปาทายะอาเตท่าน แม่กระทัยท่านว่ากล่าวเตือนข้าพเจ้าก็จะไม่ถือโทษก็ข้าพเจ้าก็เช่นกันขอให้ท่านจงเตือน ในธรรมวินัยเราได้พูดกันแล้ว มันก็ต้องเกิดอะไรต่างๆให้เราเห็นให้เราสู้แล้วเราก็สู้ต่อไปอย่าไปมีหน้าแล้วจะยกเป้ขนาดไหนมาลองดูเมื่อวันหนึ่งหลวงพ่อพูดว่ามันปวดให้มันเหนือปวดมันเหนื่อยให้มันเหนื่อเหนื่อยมันเบื่อให้มันเหนื่อเบื่อมันสุกให้มัน มันกลัวให้มันเหนือกลัวอย่าไปชนกลัวความสุขความทุกข์แค่นั้นมันเหนือ เขาพยายามเปียทีนี้พอเปียแล้วเค้าก็ก่อไว้อีกสักหน่อยเพื่อจะได้เข็นอีกไปนานจะได้เปีย ปวันเพราก็วางในเลยไม่ใช่ให้มันเกินก่อไว้ทั้งหมดแล้วไถนาทํางานนี้เสร็จแล้วกด ก็แรกงานนึงก่อนแล้วก็จะปลดเวลาใดไม่ใช่แบบให้มัน <c oughs> ไผ่ดานน่ะจะไม่ประโยชน์เลยของพ่อเป็นนักหัดหัว กองกัวนี้ทันทีนะเจ้าให้มันเกินไปสักหน่อยมันจะประยุทธ์เหมือนกันน่ะเราถ้าได้กินก็ประยุทธ์ตก พอจะขึ้นขี่หลังนี่มันก็ <c oughs> ให้มันใหญ่โตจนจนเราไปชนมันจนหอก็ชนกำแพงชนหน้าผามันข้ามไปแล้วการปฏิบัติธรรมมันมักความปวดความม้วยข้ามได้จริงๆ ก็เราหัดข้ามอยู่แล้วมันมาทีไรก็ข้ามมันก็ภาษาที่เราเข้าพูดเห็นมันปวดข้ามแล้วไม่ได้ก้าวแบบลบกระโดดตอนนั้นเป็นผู้ปวด <c oughs> เห็นมันรู้เห็นมันไม่รู้โลกข้ามแล้วเหนือแล้วเหนือเหนือรูปเหนือไม่รูปเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือกลัวทั้งกล้านี่ ก็จะหยุดแบบผู้ที่มีสติเราจะทําแบบผู้มีสติอืมมันมีมันมีหลักอยู่ครับผมรู้สึกตัวน่ะมันมีหลักอยู่จริงๆมันเด่นอยู่มาหาตัวในโล้รู้จักตัวรู้จักตัวน่ะอ่ะตัณหาตัวเองน่ะแล้วก็แล้ว ตามไปชนกับไข่ตัวเล็กก่อนจ่าใบชนตัวที่มันเสมอกันเอาไปชนกับตัวเล็กชนเตะ 2 พ่อมันเคยชนะมามันก็สู้มันก็สู้ไม่ยอมการฝึกไก่ชนเขาก็ฝึกกัน ไอ้พวกมลัยให้น้ําหอมโลกหัวโลก ไป โคนนทวิสารเข้าเถียงเคนเจ้าของก็เอาไป แต่ว่าโคนันธีศาลนี่โทยืนน้ําตาไหลอย่าทําให้กิน ไปเถอะลูกช่วยพ่อช่วยพ่อพ่อลำบากแล้วพ่อ เอาจ้ะให้ 500 ต่อ 500 อ่ะเนาะแล้วรวยด้วยว่ะนี่แม่ควายมัน โธ่รู้มันปล่อยมันจะแสดงอะไรออกมาให้เราเห็นก็ดูปล่อยรู้มันบ้างทิ้งมันบ้างสนใจมัน so, ไปไปต้องอยู่กลางทุ่งมันมีลมมอยหมดแดงมันตายตายจะไล่แต่หมดแดงนั้นพอมันตายก็มาก็จับหมดยูงก็ <c oughs> ก็อยู่มะม่วงจังหวัดเลยยอมไปไปกับไปครับจังหวัดเราจะมา พอสามดวงแดงตัวเล็กแค่นี้ก็ให้แก้วเนาะพอเกิดนอนนุ่ม แต่ว่ามันซ้ําจังว่าไล่มันเออพอทีมันปวดมันไต่ขึ้นมาทําปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันก็มันไต่ ไอ้ตํามาลูกที่หัวเอ้ามันจะปวดประมาณตัวๆปลาชามก็แล้วกันเอาไปมามื้อมันปวดทีว่าโอ๊ย เอพระธรรมของมีมายาศาสตร์ไถๆมันโลกแห่งความหลงจนเขาพูดว่าผีหลอกไปกลัวคนหลอก คนมึงนั่นนั่นน่ะปฏิบัติธรรมมันจะแสดงอะไรออกมานะโดมัน เล่นกับตัวเองมันจะทุกข์เหรอเห็นเท่านี้ก็จะยินดีไม่ได้หรือชอบแล้วเหรอเห็นแค่นี้ก็ไม่ชอบ มันได้ก็ไปดูหนังดูละครเห็นความไม่เที่ยง <emás> ได้ทุกเรื่องเห็นเราโกรธเอาไปเถียงลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนหายวรรคกัน ก็ได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัว ถ้าจะเป็นขยะก็เป็นขยะเอาไปทิ้งในชีวิตเราเนี่ย ก็อย่าไปแปลกใจอะไรบางทีเขาเห็นรูปเป็นดำเราไม่เห็นรูปเป็นดำก็ถูกถ้าเรามีสติดูไปเรื่อยๆอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบาง ตื่นเต้นไปกับความรู้ๆต่างๆน่ะไปตื่นเต้นเลยให้ให้มันนึ่งๆพอดีๆ บางตัวเค้า event ตัว Вот แต่บางทีก็ช้า แต่ถ้ากลัวเราก็ไปสู้ผีไปเอา ก็มันก็สงบพอแม่พี่น้องของมอบ บิดตัวเองอยู่นี่น่ะ เป็นอาจารย์ใหม่เมื่อเป็นงามอือนั่งหลังกดของจ้องฮะคนอาจารย์นี่ทํายังไงถ้าเป็นคนอาจารย์คนอาจารย์จะว่าไงเอ้าแสดงของเอาบททวน ป๊าดลงๆนอนแอ้งแหม่งไปทางแม่หลานชายมาด้วยคนหนึ่งฮ้องไห้เลยโอ๊ยนำเมาเอ้ยเจ้ามาตาย อ่าแล้วเพิ่นก็นั่งดูมันเฉยๆแต่สมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันก็อยู่ตะเกียงมืดๆอาจารย์ย่านอาจารย์นะเก่า <c oughs> พอตวนตายแล้วเห็นรูปมันที่ <c oughs> เราทำดีเรามีเมตตากรุณาไม่ได้ไปข่มเหงรังแกใครสุขสุขีอัตตนังปริหารันตุแผ่เมตตานี่เร เราไม่ได้ไปฆ่าไปแจงแล้วไม่ได้ไปคมแขงก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขญาติเปรียญกันการกระทําของเรามันบริสุทธิ์แล้วเราไม่บุกร้อง <c oughs> แม้แต่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี <c oughs> ไปพูดนะก็เอ้ยผมไม่มีทุกข์แล้วผมหมดจิเรเลยแล้วก็อย่าเพิ่งไปพูดให้ <c oughs> <c oughs> ตอนผิดมันก็พ่ายไปพ่ายไปนะเนี่ยอย่าวนเว้ยอะไรพวกเราๆหน่อยๆก็ เราก็ทุกข์บ้างอาจจะไม่ทุกข์พอมันเกิดกิเลสขึ้นมาโอ๊ยเสียใจไม่พระพระธรรมผมอื้ออาจารย์ผมปฏิบัติสัมมาเสียอกเสีย <c oughs> งงังมันไปตบอะไรหูไม่ได้หมาเห่า สติตัวนี้เหมือนช้างกิเลสสธรรมทั้งหลายเหมือนหมาตัวนั้นกระจกกระเจ๊กมันก็ ถ้าม้ามันเห่าเราก็เห็นม้าอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูตัวไหนมันก็เห่าเดินไปถ้ามันแสดงออก ความทุกข์ของเราเป็นความสุขของคนอื่นก็ไม่ได้ความสุขทุกข์ของเราความสุขของคนอื่นก็เออมันก็อย่างงี้เนาะโลกนี่เนาะแล้วก็ <c oughs> เดินบินทบาทเรากําลังมีสติกําลังสํารวมดีอ้าวเพื่อนบินทบาทด้วย <c oughs> เขาก็ชูให้เรานี่ต้องปิดมาต้องกินแบบนี้ ถ้าไปโกรธเพื่อนหรือเวลาเครียดเพื่อนน่ะโอ๊ให้ปล่อยไม่ไปเพราะอ๋อแม่งต้อง เป็นเรื่องดีแทนที่เราจะหวั่นไหวเราไม่ชอบเราก็เกิด เป็นข้อสอบที่ต้องแสดงให้ได้ นอกก็มีคนเดียวหัวเดียวมาพลหมู่มาจากญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงสาวก็มาอยู่กับเราพลศาสตร์ก็มาจากบุรีรัมย์ลาออกจาก มาจากสมุทรปราการมาจากภาคใต้ภาคเหนืออ่าบวชใหม่ที่ ซึมซับคอมพิวเตอร์มันโลโหดพวกเราเออถ้าคิดดูแล้วพวกเราน่าสงสารแต่คิดจะช่วยกันน่ะเนี่ยยึดดีน่ะนะใครที่ไม่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ใครที่มีสุขขอ อันนี้ก็สร้างสิ่งไว้ล้อมให้เจอตัวเอง ตนถึงมรณาอนุสติคิดถึงความตายที่จะมาต่อตัวเราอยู่ตรง มันไม่บอกไม่มีใครรู้พรุ่งนี้แต่ว่าความเพียรเป็นจิตที่ต้อง เอาผู้เฒ่าคือกันของพอก็เฒ่าเติบแล้วเฮาหลายแล้วเห็นใจกันพุ่นนมก็เห็น อ่ามันบ่ได้บ่ได้ละซอยกันไป <c oughs> แล้วโลคันธ์ปฏิภามาก่อนโลค่อยเดินไปเอาไปนั่งอีกลงจากนี่ก็ไปนั่งต้นกระท้อนนี่โลเดินจากต้นกระท้อนก็ไปนั่งต้นกระท้อนต้นนั้นเดินจากต้นต้นก็ไปนั่งกะกะติบคนสะอาดเนื่องจากเดินจากกะติบแม่สาก็ไปถึงกะติบ 3 ครั้งเนี่ยตอนเรา คร 6, 3 ครั้งเดินจากกติจังกรพลสู้ต้องสู้สู้พึดสู้ภาษาอีสาน Samma sambo sao sao, för sambo sao inta något det. Du är det och